หัวใจของวินัยเขารบสงถือสงและกิจสง์เป็นใหญ่มันในสามัคคีจูธรรมะถือหลักการมีประโยชน์สุขของประชาชนเป็นจุดหมายเนื้อหาเท่าที่กล่าวมาแล้วในบทนี้ได้บัรญรยายเจตนารม์ทางสังคมของศีลซึ่งแสดงออกในรูปลักษณะต่างๆ เฉพาะบางแง่บางด้านที่เห็นว่าน่าสังเกตความจึงยังอ้อมค้อมและย้อนไปย้อนมาเห็นควรสรุปย้ำไว้ณที่นี้ว่าสาระสำคัญที่เป็นแกนกลางแห่งเจตนารมทางสังคมของศีลโดยเฉพาะศีลที่เป็นระดับวินยัยก็คือความเคารพในสงฆ์การถือสงฆ์และกิจของสงฆ์เป็นใหญ่การถือความเจริญมั่นคงของสงฆ์หรือประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นสาคัญ และการมีความรับผิด ช, ชอบอย่างสูงต่อสงฆ์และประโยชน์สุขของสงฆ์เจตนารมณ์นี้พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัตินาเป็นแบบอย่างไว้แล้วความเคารพในสงฆ์มีความหมายเนื่องอยู่ด้วยกันกับความเคารพในธรรมะและความเคารพในวินยัยหรือความเคารพธรรมะวินัย เพราะการรับผิดชอบต่อสง์และปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งสงก็คือการปฏิบัติที่ชอบด้วยธรรมและเป็นไปตามวินยัยการมีความรับผิดชอบต่อสง์และประโยชน์สุขของสงมีความหมายเนื่องอยู่ด้วยกันกับการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพระหูชนเพราะสงหมายถึงส่วนรวมและสงได้มีขึ้นก็เพื่อประโยชน์สุขของพหูชน พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นําในการปฏิบัติเช่นนี้ดังพุทธพจน์ว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาทรงอาศัยธรรมะนั่นเองสักกาะระเคารพนอบน้อมธรรมะมีธรรมะเป็นธงชัยมีธรรมะเป็นตราชูมีธรรมาธิปไตยจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่ภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายโดยในยะว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอาชีวะคามนิคมอย่างนี้ควรเสพอย่างนี้ไม่ควรเสพอีกแห่งหนึ่งว่าเราสักการะเคารพอาศัยธรรมะที่เราได้ตรัสรู้นั่นเองเป็นอยู่และเมื่อใด สงประกอบด้วยความเติบใหญ่เมื่อนั้นเราย่อมมีความเคารพแม้ในสงด้วยเหตุนี้เมื่อมีภิกษุจำนวนมากขึ้นจเจริญด้วยความรู้และประสบการณ์คณะสงฆ์แพร่หลายขยายกว้างขวางออกไปพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสังฆกรรมประเภทต่างๆขึ้นและทรงมอบอำนาจให้ที่ประชุมสง์เป็นใหญ่ในสังฆกรรมเหล่านั้น ทรงหยุดเลิกการให้อุปสมบทโดยพระสาวกรายบุคคลเปลี่ยนเป็นการให้อุปสมบทโดยสงฆ์และต่อมาก็ทรงหยุดการให้อุปสมบทแม้โดยพระองค์เองดังนี้เป็นตน้นดังนั้นเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีนำคู่ผ้าชุดใหม่ที่ทรงตัดเย็บเองเข้ามาถวายแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพระนางโคตมี โรดทรงถวายแกสงเถิดเมื่อท่านถวายแกสงทั้งเราทั้งสงจกเป็นอันยรับการบูชาและเมื่อจะเสด็จดับคันทัปริณิพานก็ได้ตรัสว่าดูก่อนอานนทำและวินัยที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแกเธอทั้งหลายนั่นคือศาสดาของพวกเธอเมื่อเราล่วงลับไป ภายหลังพุทธบรินิพานแล้วคราวหนึ่งวสการพราหมณ์ได้ถามพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์ผู้เจริญมีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคตมะได้ทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุนี้จะเป็นหลักอ้างอิงซึ่งเป็นผู้ที่พวกท่านคอยลั่นเข้าหาอยู่ในบนัดนี้พระอานนท์ตอบว่าไม่มีและแม้แต่ภิกษุที่ทรงเลือกตั้ง ที่ภิกษุเทราจำนวนมากแต่งตั้งเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนพุทธปรเรณิพานก็ไม่มีแต่กระนนั้นดูก่อนพรามพวกเราไม่ใช่จะไร้หลักอ้างยิงพวกเรามีหลักอ้างยิงคือมีธรรมะเป็นหลักอ้างยิงท่านอธิบายการมีธรรมะเป็นหลักอ้างยิงว่าดูก่อนพรามสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ส่งรู้ผู้ทรงเห็นพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ปาติโมกที่ทรงแสดงไว้มีอยู่ซึ่งเมื่อถึงวันอุโบสถพวกข้าพเจ้ามีจำนวนเท่าใดอาศัยเขตขามหนึ่งอยู่ทั้งหมดทุกรูปนั้นก็จะมาประชุมณที่เดียวกันรันแเ้วจะเชิญภิกษุรูปที่ทรงจำปาติโมกได้คล่องให้สวดแสดงถ้าขณะเมื่อสวแสดงอยู่ปรากฏภิกษุมีอาบัต คือมีโทษที่ล่วงละเมิดอัตมาทั้งหลายจะปรับโทษให้เธอปฏิบัติตามธรรมตามคำอนุสา์การที่เป็นดังนี้จะชื่อว่าพวกภิกษุผู้เจริญทําการปรับโทษก็หาไม่ได้ธรรมะตังหากปรับโทษและภิกษุที่เป็นหลักก็มีอยู่ตามคำอธิบายของท่านว่าดูก่อนพราม ธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสิบประการที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นพระองค์นั้นได้ตรัสไว้มีอยู่ซึ่งในบรรดาอัตมภาพทั้งหลายหากผู้ใดมีธรรมะเหล่านั้นพวกอัตมาภาพก็จะสักการะเคารพนับถือบูชาอิงอาศัยท่านผู้นั้นเป็นอยู่ธรรมะสิบนั้น คือภาษาธนิยธรรมสิบคือมีศีลเป็นพระหูสูตรสันโดษได้ฌานสี่และอภิญญาหกภิกษุผู้ได้รับมอบหมายให้วินิจฉัยอธิกรคือตัดศีลคดีต้องถือหลักปฏิบัติว่าพึงเป็นผู้เคารพสงฆ์มีใช่เคารพ บ, บุคคลพึงเคารพสัตรธรรม คือความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมมีใช่เคารพอาิ i ต์เคารพในที่นี้ถ้าเกรงเข้าใจความหมายในภาษาไทยคลาดเคลื่อนท่านแปลว่าคือหนักในสงไม่ใช่หนักในบุคคลหนักในธรรมหนักในสัตธรรมไม่ใช่หนักในอาิ i ต์พระอรหันตส า, าวกผู้ใหญ่ก็ต้องประพฤตินำเป็นตัวอย่าง ในการเอาใจสายกิจของสงฆ์เช่นเรื่องที่พระพุทธเจ้าส่งเตือนให้พระมหากรพินะไปร่วมประชุมอุโบสถสังฆกรรมตรวจสอบทบทวนการประพฤติปฏิบั ต, ต, ต, ต, ต, ติตามพระวิ น, นัยแม้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วและพระมหากรส ป, ปะอยู่ห่างจากที่ประชุมสงฆ์ทำอุโบสถประมาณสี่กิโลเมตรเมื่อถึงวันอุโบสถแม้จะเดินทางลำบากต้องลุยข้ามแม่น้ำสายหนึ่งระหว่างทาง ท่านก็เดินเท้าเข้าไปร่วมประชุมพระภิกษุอรหันต์หรืออนาคามีที่เข้านิโรธสมาบัติได้ก่อนจะเข้าสมาบัตินั้นต้องกำหนดใจไว้ก่อนว่าถ้าเมื่อเราเข้านิโรธอยู่เจ็ดวันสงต้องการจะทำสังฆกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นยติกรรมเป็นต้นเราจะออกทันทีไม่ทันให้ภิกษุใดต้องมาเรียก เพราะอาณาคืออำนาจของสงฆ์เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเคารพเมื่อมีเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประโยชน์สุขของสงฆ์โซนรวมหรือกระทบถึงความเสื่อมความเจริญของพระศาสนาภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะพระอระหันต์จะต้องใส่ใจขวนขวายจัดทำดาเนินการเช่นการทําสังคยนาชําระาสงฆ์ให้บริสุทธิ์การปกป้องธรรมะจากความคลาดเคลื่อน หรือจากบุคคลและลัทธิที่จวงจากกล่าวร้ายการรักษาพระศาสนาให้อยู่รอดระหว่างมีภัยตลอดจนการช่วยกันสร้างสัรหาและรักษาตัวบุคคลผู้สามารถรักษาหรือเชิดชูพระศาสนาเป็นต้นตัวอย่างเช่นการสังคยานาครั้งที่หนึ่งถึงสและกรณีพระเจ้ามิลินและมากิจของสงเกิดขึ้นเช่นนั้นแล้ว ผู้ใดเพิกเฉยละเลยสงย่อมลงโทษเอาได้แม้ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นพระอระหันต์และเหตุที่ทำให้ไม่ได้มาร่วมจะเป็นกิจส่วนตัวที่ดีงามไร้โทษเช่นเข้าชาสมาบัติอยู่เป็นต้นก็ตามเมื่อสงมีมติลงโทษผู้ถูกลงโทษมีโอกาสถแถลงชี้แจงเหตุผลแต่เมื่อสงชี้ขาดอย่างใดก็ปฏิบัติตามอย่างนั้น เช่นกรณีของพระอานน์ในการสังคยนาครั้งที่หนึ่งดังเคยกล่าวถึงในตอนว่าด้วยภาวะทางความประพฤติของผู้บรรลุนิพพานข้างต้นแล้วไม่เฉพาะเรื่องราวสำคัญใหญ่โตเกี่ยวกับความเจริญความเสื่อมของพระศาสนาหรือประโยชน์สุขของส่วนรวมทั้งหมดเท่านั้นแม้แต่กิจธุระเล็กๆน้อยๆของบุคคลในหมู่ที่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงหลายคนช่วย เช่นการตัดเย็บทำจีวรในสมัยโบราณเป็นต้นก็เป็นธรรมเนียมที่จะต้องเอาใจใส่ขวนขวายช่วยกันจัดช่วยกันทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องร่วมมือกันเป็นพิเศษในเมื่อเป็นเรื่องเนื่องอยู่ด้วยสังฆกรรมเช่นในกะถินกรรมซึ่งสง์ตกลงกันมอบผ้าของส่วนรวมให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งภิกษุทุกรูปไม่ว่าจะเป็นพระเทระหรือมีคุณพิเศษใด ก็พึงต้องมาช่วยกันทำผ้านั้นเป็นจีวรให้สำเร็จอย่างไรก็ตามเรื่องความรับผิดชอบใส่ใจช่วยกิจธุระในหมู่สงนี้อาจแยกประเภทเพื่อจัดระดับความสำคัญได้เป็นสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งกิจธุระภายในสงที่เป็นเรื่องปลีกย่อยเฉพาะส่วนเฉพาะกรณีหรือกิจธุระของเพื่อนร่วมหมู่คณะ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 กิจกรณีเยซูทักขตาคือขยันช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะหรือของชุมชนไม่ว่าเรื่องน้อยไม่ว่าเรื่องใหญ่เอาใจใส่ขวนขวายทุกอย่างสารานิยธรรมหมวดแรกเช่นอังคุตรานิกายชาการนิบาศสารณนิยธรรมหมวดที่สองมาในอังคุตรานิกายทาศากันิบาศและมักรู้จักกันในชื่อว่า นาถะกรณธรรมแต่กิณกรณีเยสุทัคตานี้มาในหมวดธรรมอื่นอีกหลายแห่งเช่นวินัยปิดกเล่มสี่อังคุตระนิกายปัญจการนิบาทหรืออังคุตรานิกายเอกาทัศกานิบาทเป็นต้นระดับความสำคัญอย่างที่สอง คือกิจการเกี่ยวกับสงฆ์ซึ่งกระทบถึงประโยชน์สุขหรือความเจริญมั่นคงของสุนรรวมทั้งหมดหรือเรื่องที่ต้องอาศัยการพิจารณาตัดสินใจร่วมกันอันพึงปฏิบัติตามหลักอปาริหานิยธรรมอย่างน้อยสองข้อแรกคือมันประชุมกันเนืองนิดและพร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมพร้อมกันพร้อมเพรียงกันทากิจกรณีของสงฆ์ บาลีที่ว่าสมค่าวุทธหิสันติแปลในยะหนึ่งว่าพร้อมเพียงกันออกทำงานและอีกในยะหนึ่งว่าพร้อมเพียงกันเลิกประชุมสำหรับกิจธุระประเภทแรกที่เป็นเรื่องปลีกย่อยเฉพาะส่วนเฉพาะกรณีนั้นถ้าภิกษุรูปใดนิ่งดูใดไม่เอาใจใส่ช่วยเหลือยอมถูกตำหนิตีเตียน และอาจยกขึ้นเป็นข้อกล่าวโทษเพื่อเรียกตัวมาชี้แจงเหตุผลและแนะนำตักเตือนได้แต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นงานนั้นมีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะจัดทำได้อยู่แล้วหรือมีผู้ที่ช่วยเหลือจำนวนมากพอแก่การและภิกษุนั้นมีกิจสำคัญของตนเองอยู่คือสุดแต่เหตุผลสมควรดังตัวอย่างเรื่องภิกษุใหม่รูปหนึ่ง ในเวลาบ่ายเข้ากุฏิอยู่เงียบภิกษุทั้งหลายทำจีวรกันไม่ออกมาช่วยพวกภิกษุจึงไปทูลกล่าวโทษเธอแด่พระพุทธเจ้าพระองค์โปรดที่เรียกตัวเธอมาสักถามทรงทราบว่าเธอบำเพิญชานก็ตรัสไม่ให้ภิกษุทั้งหลายติเตียนเธอหรือบางคราวคนหมู่มากวุ่นกังวลกับเรื่องของส่วนรวมอย่างไรจุดหมายไม่ได้สาระ ภิกษุที่เร่งปฏิบัติธรรมเงียบอยู่ไม่มาวุ่นกับหมูก็ชื่อว่าทำตัวถูกต้องกว่าส่วนกิจธุระประเภทที่สองซึ่งกระทบถึงประโยชน์สุขหรือความเจริญมั่นคงของส่วนรวมทั้งหมดนั้นไม่มีข้อยกเว้นเพราะเป็นกิจสงโดยตรงเมื่อสงประชุมดำเนินกิจที่เรียกว่าสังฆกรรมภิกษุต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน หากอาพาธหรือมีเหตุให้เข้าประชุมไม่ได้ก็ต้องมอบฉันทาแก่สงดังนี้เป็นตน้นแต่ในการร่วมควรขวายจัดดำเนินการที่เป็นส่วนรายละเอียดจะต้องคํานึงถึงและให้โอกาสแก่บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ควรรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆด้วยคือจะต้องดูต้องฟังต้องหวังที่บุคคลเหล่านั้นเป็นเบื้องตน้น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 จะพากันปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะจะได้สามารถฝึกจิตและปัญญาให้เจริญเพื่อจะได้ประสบชีวิตที่มีความสุขแท้จริงพร้อมด้วยจิตใจที่เป็นอิสระพองายเบิกบานในท่ากลางสังคมและสภาพแวดล้อมที่สงบเรียบร้อยรื่นรมและร่มเย็นเป็นสุขศิลระดับวินัยที่ได้บัญญัติวางไว้แล้วอย่างครบถ้วน สำหรับเป็นแบบแผนแห่งความเป็นอยู่หรือเป็นระบบชีวิตด้านนอกทั้งหมดของชุมชนหมู่หนึ่งหนึ่งในทางพระพุทธศาสนามีแบบอย่างที่เด่นชัดคือวินัยของสงฆ์ผู้ที่ได้ศึกษาและสังเกตจะเห็นว่าวินัยบัญญัติของสงฆ์มีใช่ศีลในความหมายแคบๆอย่างที่มักเข้าใจกันง่ายๆแต่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั่วๆไป ที่เรียกว่าชีวิตด้านนอกของภิกษุสงฆ์ทุกแง่เริ่มตั้งแต่กำหนดคุณสมบัติสิทธิหน้าที่และวิธีการรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชนคือสงฆ์การดูแลฝึกอบรมสมาชิกใหม่การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทากิจการของสงฆ์พร้อมด้วยคุณสมบัติและหน้าที่ที่กำหนดให้ระเบียบเกี่ยวกับการสแสวงหาจัดทำเก็บรักษา แบ่งสรรปั จ, จัยสีเช่นประเภทต่างๆของอาหารระเบียบการรับและจัดแบ่งส่วนอาหารการทำจีวรและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจีวรประเภทของยาการปฏิบัติต่อภิกษุอาพาธข้อปฏิบัติของคนไข้และผู้รักษาพยาบาลไข้การจัดสรรที่อยู่อาศัยข้อปฏิบัติของผู้อยู่อาศาัย ระเบียบการกอร่อสร้างที่อยู่อาศัยการดำเนินงานและรับผิดชอบในการกอร่อสร้างการจัดพังที่อยู่อาศัยของชุมชนสงฆ์คือวัดว่าพึงมีอาคารหรือสิ่งกอ่อสร้างอย่างใดใดบ้างระเบียบวิธีดำเนินการประชุมการโจทหรือฟ้องคดีข้อปฏิบัติของโจทจำเลยและผู้วินิจฉัยคดีวิธีดำเนินคดี และตัดสินคดีการลงโทษแบบต่างๆและอื่นๆว่าโดยสาระวินัยก็ได้แก่ระบบแบบแผนทั้งหมดสําหรับหมู่ชนหนึ่งที่จะให้หมู่ชนนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยดีสามารถมีชีวิตอยู่ตามหลักการของตนและสามารถปฏิบัติกิจดําเนินการต่างๆเพื่อเข้าถึงจุดหมายของตนเมื่อพูดในวงกว้างตามโวหารปัจจุบัน วินัยมีความหมายครอบคลุมระบบแบบแผนเกี่ยวกับการปกครองการบริหารการศาลนิติบัญญัติการเศรษฐกิจการศึกษาเป็นต้นทั้งหมดเท่าที่ชุมชนตลอดถึงประเทศชาติจะตกลงใช้ปฏิบัติเป็นทางการโดยตราวไว้เป็นธรรมนูญกฎหมายประกาศหรือคำสั่งต่างๆด้วยเหตุนี้ในทางพระพุทธศาสนาวินัยจึงเป็นพื้นฐานที่รองรับไว้ ซึ่งระบบชีวิตทั้งหมดที่เป็นแบบของพระพุทธศาสนาและเป็นที่อำนวยอกาสให้การปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาดำเนินไปได้ด้วยดีวินัยของภิกษุสงฆ์ก็เป็นเครื่องช่วยให้สงฆ์เป็นแหล่งที่บุคคลผู้เป็นสมาชิกคือภิกษุสามารถเจริญงอกงามได้รับประโยชน์ที่พึงได้จากพระพุทธศาสนา เมื่อวินัยยังอยู่สงก็ยังอยู่เมื่อสงยังอยู่ประโยชน์ที่บุคคลพึงได้จากระบบชีวิตบาพุทธก็จะยังคงอยู่โดยเหตุผลในยานี้ความเคารพสงการถือสงและกิจของสงเป็นใหญ่ความรับผิดชอบต่อความมั่นคงและประโยชน์สุขของสงจึงเป็นเจตนารม์ของศิลในทางสังคม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 เมื่อเข้าใจศีล ร, ระดับวินัยดีแล้วก็จะรู้จักแยกได้ระหว่างศีลที่เป็นธรรมกับศีล ร, ระดับวินยัยศีลที่เป็นธรรมก็รวมอยู่ในคำว่าธรรมหรือธรรมะส่วนศีล ร, ระดับวินัยก็เรียกง่ายๆว่าวินยัยและก็จะเข้าใจว่าเหตุใดแต่เดิมท่านจึงเรียกพระพุทธศาสนาทั้งหมดว่าธรรมะวินยัย ละเหตุใดธรรมะและวินัยจึงเป็นส่วนประกอบทั้งหมดของพระพุทธศาสนา